ดาลินชี้ไปที่ผ้าขนสัตว์ปลายเตียงออกคำสั่งเบาๆต่อมาห่ผมผ้าให้ด้วยเอยังจะยืนจ้องหน้าอยู่อีกเร็วสิไม่ได้ยินคำสั่งเรยแล้วพีนก้มลงหยิบผ้าแบงเกตมาคลี่ออกคลุมให้หล่อนตามบัญชาลาจสกุลสาวเอนกายลงช้าๆควายแขนรองศีรษะไว้แสงรางๆจากตะเกียงศาสกระทบดวงตาเป็นเงาประกายเต็มไปด้วยปริศนาอันไม่อาจอยัง่ง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 การเป็นเนื้อเพลงบทนั้นออกมาได้ดังนี้ความกรมกลิงแห่งวงพระจันทร์ความคดเคี้ยวแห่งเถาไม้เรือความเกาะเกี่ยวแห่งเถ า, า, าวันความหวั่นไหวแห่งยอดหญ้าความอ่อนแอนแห่งใบอ้อความยียวนแห่งดอกไม้ความเบาแห่งพําใบพลื้กความคมแห่งตาเนื้อ ความแจ่มใสแห่งดวงตะวันน้ำตาแห่งหมอกความปลุนแปรแห่งกระแสลมความใจสระแห่งกระตายความโอรำพองแห่งนกยูงความอ่อนระมุนแห่งขนอ่อนของวิหกความแกล่งแห่งเพชรความหวานแห่งน้ำพึ่งความดุร้ายแห่งพยักษ์ความอบอุ่นแห่งเปลวเพลิง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 ร่างของใครคนหนึ่งนอนพิ้งล้อเกวียนอยู่ที่นั่นเสียงเพลงดังมาจากร่างนั้นแง่าสายเจ้าคนใช้ชาวดงผู้ลึกลับนั่นเองระพินเคลื่อนตรงเข้าไปอย่างแช่มช้าแล้วมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้ากองไฟตรงข้ามแง่สายขยับตัวขึ้นนั่งตรงเสียงเพลงขาดหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงทักทายแจ่มสายห้าวกลางวานอ้อผู้กองมีอะไรจะใช้ผมหรือครับ เปล่าเขาหลุดปากเบาๆอย่างไม่ตั้งใจพรางซุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ฝั่งตรงข้ามโยนกิ่งไม้เล็กๆเข้าไปในกองไฟทำไมไม่ร้องเพลงของแกต่อไปหยุดเสียทำไมหน้าสีทองแดงดวงนั้นสว่างขึ้นด้วยรอยยิ้มระพินจ้องสำรวจมาด้วยอาการค้นหาออกประหลาดใจที่ไม่อาจพบร่องรอยของความทุกจริตใ ด, ดๆแฝงอยู่ในดวงตาสุกใสเป็นประกายคู่นั้น เหมือนเช่นที่จิตใต้สำนึกคอยเตือนให้ระแวงอยู่เสมอใบหน้ายาวรูปสี่เหลี่ยมหมดจดคมสันน่าจะเรียกได้ว่าเป็นแบบฉบับทรงหน้าอันงามเยี่ยมของบุรุษเพศชาติอาชาในแท้จริงหากจะขจัดริ้วรอยของความตากตามและกลิ่นอายป่าดงออกไปเสียจมูกโด่งเป็นสันผิดแผ่ไปจา ก, กเกรียงหรือชนชาวเขาทั่วไปที่เขาพบเห็นมาคิ้วดกยาว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 รูปหนึ่งแห่งมโนภาพคิดคำหนึ่งอันไม่ตั้งใจของเขามากว่าแผงอกอันกว้างใหญ่นี้ถูกคุ้มไว้ด้วยเกลาดทองในมือถือดาบประาดอยู่บนหลังม้าสึกบุรุษผู้นี้ก็คือเท พ, พบุตรแห่งสงครามในเทพนิยายเป็นแน่แท้ความรู้สึกเพิ่งจะบอกตนเองอย่างแจ่มชัดเดี๋ยวนี้เองว่าเจ้าคนใช้ชาวโดงผู้อาสาสมัครเข้ามารับใช้อยู่ในคณะเดินทางผู้นี้ เป็นชายหนุ่มโฉมงามหน้าพิศวงนักแล้วก็อดชะงนตนเองเสียไม่ได้ว่าเหตุชไหนเท่าแล้วเท่ารอดเขาจึงไม่อาจชอบหน้ามันได้สนิทบางทีจะเป็นเพราะประสาสัมผัสคอยเตือนให้ตะหนักอยู่เสมอว่าเจ้าชาวโดงนักพเนจรผู้มีอะไรลี้ลับซ่อนงามอยู่ลึกร้ำชนิดที่ยังไม่สามารถจะยังถึงนั่นเองกระมังแล้วรปินก็ตื่นจากผวังคิด เมื่อคองวานเสียงของแง่ท า, ายตอบมาว่าในความเงียบและเปล่าเปลี่ยวไม่มีอะไรจะเป็นเพื่อนได้ดีเท่าเสียงเพลงมันปลอบใจให้เราคลายความทุกข์ความแร้นแค้นโดดเดี่ยวของชีวิตผู้กองคิดอย่างผมหรือเปล่าพรานใหญ่ควักบุหรีออกมาจุดสูบช้าๆสายตามห่ห่างไปจากใบหน้านั้นยิ่งอยู่ร่วมกันไปนานวันแก่ก็มีอะไรแปลกๆเพิ่มขึ้นทุกที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 คืนนี้ผู้กองมีกังวลผิดไปกว่าทุกครั้งพรานใหญ่ฝื้นหัวเราะเบาๆแกเป็นคนเฉียบแหลมแง่ทรา ย, ายแต่ดูจะเกินฐานะมากทีเดียวว่าแต่นี่เนะี่ยแกพอจะบอกได้ไม่ว่าระหว่างเรากับไอ้แหว่งมันจะลงเอยกันยังไงทำไมผู้กองจึงถามผมแง่ทรายรู้อนาคตเบื้องหน้าได้ก็คงเป็นผู้วิเศษฉันอยากจะเชื่อในอะไรสักอย่างหนึ่ง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 ผมก็คิดเช่นนั้นเสียงของชาวโดงพนเนจรกองวลลึกอยู่ในลำคอแต่เดี๋ยวนี้มันสายไปเสียแล้วหลายชีวิตของพวกเราสิ้นสุดลงไอ้แหว่งไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปดีมากที่แกยอมมีความเห็นตรงกันกันกบพวกเราทุกคนพรานใหญ่พูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนแกเป็นนักกล้าช้างเมื่อดีมาก่อนคงจะช่วยอะไรเราได้มากถ้าแกมีความเต็มใจที่จะช่วย เดิไม่แก้งอมพนามหรือคอยแต่จะยึดถือปฏิบัติตามคําสั่งแบบเถรตรงประการเดียวอย่างที่แล้วมาจบประโยคเขาก็ผลักกลับไปล้มตัวลงนอนอย่างที่เดิมและสะกดตัวเองหลับไปภายในไม่กี่นาทีต่อมาสัมผัสอันเคยชินจากระบบประสาทที่ฝึกมาเป็นอย่างดีปลุกให้เขาตื่นขึ้นอย่างกระทานหันทันทีที่ลืมตาก็รู้สึกได้ในทันทีนั้นว่าป่าใหญ่รอบด้าน มันบังเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นเสียแล้วขณะนั้นมันเป็นเวลาประมาณทีสองเศษเศษอากาศกำลังหนาวเย็นสถานสั่นไปถึงหัวใจระอองน้ำค้างชุ่มฉ่ำไปหมดทุกขนทุกแห่งแม้แต่ปลายจมูกทันทีที่ลุกขึ้นนั่งบุญคำเกิดจันและเสยก็พากันย่องตรงมาที่เขาสีหน้าของแต่ละคนบ่งชัดถึงความร้อนรนตื่นตหนกนายตื่นพอดี เสียงบุญคามคลางออกมาอย่างยินดีเกิดอะไรขึ้นฟังนั่นจันกระสิบเบาที่สุดทุกคนเข้ามานั่งคุกข่าวรายร้อมเขาเงี่ยหูในตาเบิกโปรกวาดรอกแลกออกไปยังแนวป่าอันทะมึนมืดรอบด้านในความเงียบสงัดอันหนาวจับกระดูกมีเสียงของการเคลื่อนไหวช น, นิดหนึ่งแววมาไม่ใช่เสียงลมพัดกิ่งไม้ตามธรรมชาติแต่ฟังผ่าดผาดมันก็ระไม้กัน มันลั่นขึ้นทางด้านซ้ายแล้วก็ขวาบางทีก็ด้านหน้าประหนึ่งจะเป็นการเคลื่อนขอบวนเข้ามาอย่างลึกลับของบรรดากองทัพพูดผีปีศาจบางขณะก็หยุดเงียบหายสนิทไปราวกับผูฝาดแล้วต่อมาก็เริ่มไว้สวบสาบแผ่วเบาขึ้นอีกใกล้ใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทีละน้อยฟังได้ถนัดแม้แต่กิ่งไม้บางกิ่งถูกกาลังชนิดหนึ่งค่อยๆแหวกมันออก แล้วค่อยๆผ่อนคืนให้ไหวกลับเข้าที่ราวกับเกิดขึ้นจากน้ำมือของคนห่างออกไปประมาณ20สิวานอกบริเวณกองไฟร่างตะคุ่มของแง่ทรายลงนอนพังภาพอยู่กับพื้นแน่ผูโงกับพื้นดินแล้วลุกขึ้นเดินย่องไปตามสุมทุ่มพุ่มไม้อันขึ้นอยู่หนาทึบด้วยกิริยาราวกับเสือบุญคำไปตามแง่ทรายกลับเข้ามาพรานใหญ่กระโดดลุกขึ้นยืนคว้าไร่เฟินไปจับมือแล้วสั่งการเร็วปือ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 เชื่อวากับชายยันกระโจนผึงลงจากเตียงพร้อมกันดาลินคนเดียวที่นั่งตะลึงงานเหมือนตกอยู่ในว่วงฝันแต่แล้วก็ถูกพี่ชายกระชากลงจากเตียงอึดใจต่อมานั่นเองสติของหล่อนก็กลับคืนมาและพร้อมความตื่นเต้นต่อสถานการณ์ร้ายทำให้ลืมความเจ็บปวดจากข้อเท้าแปลงเสียหมดสิน้นปราดเข้าไปคว้าไรเฟิลไปจํามือพร้อมทั้งกระสุนโกยใส่กระเป๋าเสื้อคลุมที่สวมอยู่จนเต็ม แง่สรายกับบุญคําก็พวดตามเข้ามาในกระโจมมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับเต็มป่าหมดทุกด้านบุญคํารายงานหอบหอบทั้งหมดพระจากกระโจมออกมาทันทีบัดนี้บริเวณปางพักด้านนอกทุกคนตื่นและพร้อมอยู่แล้วที่จะรับคําสั่งราวป่าเงียบสงัดลงอิ่ทั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่อขาชา ย, ยันและดาดินพยายามตะแคงหูฟังแต่ไม่ได้ยินอะไรเลย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 ที่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของระพินคนเดียวทำไมเงียบเหลือเกินเชษฐากระซิปตากราดไปยังราวป่าอันมืดมิดรอบด้านทุกตัวหยุดนิ่งอยู่กับที่อาจไว้ทันแล้วว่าเรารู้ตัวประมาณไม่เกินสี่ร้อยหลารอบด้านของเราในขณะนี้พวกมันเต็มไปหมดแล้วพรานใหญ่ตอบแผ่วเบาชายยันแยกเขี้ยว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 มันเป็นไปในทางร้ายมากกว่าทางดีผมคิดว่าเรามีเวลาพอแง่ท า, ายเอ่ยขึ้นอย่างร้อนใจเป็นครั้งแรกทั้งทางที่โดยสถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยแสดงความเห็นอันใดมาก่อนเลยมันรู้ตัวแล้วว่าเราไหวหทันมันหยุดเพื่อการตัดสินใจของเจ้าจา่าโขงเวลาระหว่างนี้ย่อมเป็นของเราแต่ต้องไม่ช้า จ, จนเกินไปนะักผู้กองจะเอายังไงก็สั่งการเถิดครับ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 ทีนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องถอยบ้างแล้วขืนปากหลักสู้อยู่ที่นี่ตายหมดแล้วเขาก็บุ้ยปากไปทางด้านเหนือของที่ตั้งแคมป์อันเป็นบริเวณชายเนินสูงชันสลับซับซ้อนไปด้วยแก่งโขดหินใหญ่น้อยพูดโดยเร็วต่อมาทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดถอยขึ้นไปยันลับมนันบนเนินนั่นทิ้งแคมป์บริเวณแคมป์ของเราทั้งหมดอแหกยับแต่เอาชีวิตรอดไว้ก่อนที่สูงชันมีกำบังและเกศละกะไปด้วยก้อนหิน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 เครื่องเวชภัณฑ์อาวุธปืนทุกกระบอกเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก่อนสิ่งอื่นใดทั้งสิน้นของเหล่านั้นถูกลําเลียงเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วขึ้นไปยังที่มัน่นจุกเฉินชั่วคราวบุญคําทําหน้าที่ควบคุมลูกหาบในการขนย้ายและนําคณะนายจ้างขึ้นประจําที่มัน่นอันเป็นตีนขาวลูกเล็กๆห่างจากแคมป์ออกไปเพียงไม่เกิน 30- 40เมตรนับเป็นความรอบคอบของบุญคำอย่างยิ่ง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 ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นประจําโขดินบนเชิงขาวพร้อมหมดคงเหลือแต่ระพินแงาสายแรกจันทเพียงสามคนที่ยังง่วนจัดการอยู่ในบริเวณแคมป์วุ่นอยู่สามคนนั้นมัวแต่ทําอะไรงุ่ม ง, ง่ามกันอยู่อีกทําไมถึงไม่ถอยขึ้นมารวมกับเราดาลินพูดอย่างร้อนใจเพ่งมองลงไปยังบริเวณแคมป์ที่เห็นแสงไฟสลัวอยู่ในฉากความมืดมิดรอบด้านน้อยอยู่กับชายยันนะพี่จะลงไปดูเอง ระวังให้ดีระหว่างนี้ถ้าเห็นมันพวดออกมาไม่ว่าจะทางด้านไหนระดมยิงสกัดไว้ทันทีว่าแล้วอดีตทูตทหารโบกก็คว้าไร่เฟินคู่มือพระออกจากที่ซุ่มวิ่งตัดเนินกลับลงไปที่บริเวณแคมป์ที่เห็นระบีนแง่ า, ายและจันกำลังช่วยกันทำอะไรวุ่นอยู่นั้นทันทีขณะที่เชษถาปราดเข้ามาถึงเห็นพรนใหญ่กับแง่ า, ายกาลังงุวนอยู่กับดินระเบิดและสายชนวนอย่างเร่งรีบมีจันเป็นรูปมือ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 มันรวมทั้งเกวียนอันเป็นพานะ ส, สําคัญที่จอดทิ้งอยู่ด้วยคุณจะต่อสายชนวนระเบิดไปจนถึงที่เราตั้งรับบนเชิงเขานอนเทียวหรือเชิาถามไม่จาเป็นหรอกครับผมกะเอาใจกลางแคมป์ของเรานี่แหละเป็นตำแหน่งสวิตระเบิดตั้งสวิตไวในที่ซึ่งเราจะมองลงมาได้เห็นชัดเมื่อจะระเบิดก็ยิงมาที่สวิตมันก็จะระเบิดขึ้นเองหัวหน้าคณะนะก็เข้าใจในทันทีนั้น ทั้งสี่คนช่วยกันวางระเบิดได้ต่อสายชนวนอย่างรวดเร็วทั้งสีด้านนำชนวนมาบรรจบรวมกันที่หม้อแบตเตอรี่ควบคุมการระเบิดอันเป็นสวิตกลางอันเดียวกันระพินนำหม้อแบตเตอรี่เข้าไปตั้งไว้ในระหว่างซ่อขินด้านหนึ่งซึ่งเมื่ออยู่บนเชิงขาก็สามารถมองลงมาเห็นได้ถนัดโดยไม่มีอะไรบงังใช้กระดาษสะท้อนแสงสีขาวปิดไว้ด้วยปสเตอร์เพื่อให้สังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น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 เสียงฝีเท้าหนักๆเหลือที่จะขนานับญาตตาเคลื่อนใกล้เข้ามากลิ่นไอของมลตยูแทรกซึมไปทั่วทุกอนุของอากาศสำเนียงที่ได้ยินยามนี้เปรียบไม่ผิดอะไรกับเสียงคลื่นในมหาสมุทรยามมีมรสุมพริบตานั่นเองขณะที่ระพินปิดกระดาษสะท้อนแสงของเขาโรงยังคันระเบิดเสร็จพร้อมกับเงยขึ้นอันเป็นขณะเดียวกันกับที่แงาสายวิ่งออกมาจาั ก, กระโจม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 มันคือก้อนหินใหญ่ขนาดครบกตังข้าวก่อนที่ทุกคนจะตื่นจากตะลึงขอนไม้และก้อนหินใหญ่ๆอีกหลายก้อนกระดมปลิวว่อนเข้ามาลนคืนโคลมอยู่ทั่วบริเวณจากความมืดรอบด้านที่มองไม่เห็นที่มาราวกับมีมือยักษ์มาระดมคว้างปาก้อนหินและขอนไม้เหล่านั้นเฉียดทั้งสี่ไปอย่างบุดหวิดจวนเจียนซึ่งถ้าถูกเข้าก็ไม่มีปัญหากระดูกกระเดี่ยวเป็นไม่มีเหลือระวังหลบเร็ว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 เปิดฉากโจมตีโดยระดมสัตว์ถินนครไม้คว้างป่าเข้ามาเป็นการใหญ่แล้วเจ้าช้างมหาวายัยร้ายที่รวมพลกันได้เป็นหนึ่งกองทัพและบัดนี้บีบลุกเข้ามาในระยะประชิดรอบด้านประกาศสักดาของมันอย่างโจ่งชัดตัวหนึ่งแผดร้องแปลนขึ้นก่อนเหมือนจะเป็นสัญญาณให้เร่งเข้ามาเข็นฆ่าจากนั้นตัวอื่นๆก็ร้องรับกันขึ้นพร้อมกันหมดแทรสนั่นอึ้งๆไปหมดทั้งราวป่าท่ามกลางราตนเงียบสงัด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 เสียงชายยานตะโกนลั่นลงมาให้หนีขึ้นที่มัน่นและยังไม่ทันจะขาดเสียงไรเฟิล น, นัดหนึ่งก็แผดแรมกึกก้องขึ้นเป็นปฐมฤกษ์มันเป็นจุด300ศูนย์เอทเทอร์บีแมกนัมจากมือของหม่อมราชวงหญิงดาลินเวราลิศผู้ฉับวัยในการด้านไกลตามเคยนั่นเองหล่อนมองเห็นภาพนั้นอย่างขนะดขณะที่ชายยันโมตะโกนเตือนอยู่หล่อนก็ยิงแล้วไอหัวโตตัวร้มหน้าที่สุด วินชโเกวียนที่จอดพิงโคลไม้รม้มและบัดนี้ปรีราวกับพายุเข้ามายังละพินกับเชษฐาห่างเพียงไม่เกิน 15-9 เกเธราขมาหน้าพร้อมกับร้องโอก๊กขาหน้าสุดคู้ลงในพิษตาเพราะถูกร้อยเข้ากบหูด้วยกระสุนสั่งจากมืออันฉมังของหญิงสาวตัวตามหลังมาเป็นอันดับสองเจอะฟ้าผ่าเข้าไปอีกที่สะบักหมุนเฉออกนอกทางแล้วก็ล้มตึงไปในอึดใจ ต่อมาด้วยกระสุนนัดที่สามซึ่งทะลวงเจาะขมับพระพินวิ่งไปก่อนไม่ต้องห่วงผมเช่ถาร้องลั่นประทับสีห้าแปดขึ้นเพนออกนอกภูของต้นกลางที่หลบอยู่สองปากระบอกไปยังเงาทะมืนที่พรวดพร่าออกมาจากริมป่าอีกด้านแล้วกดตูมอย่างฉุกระหุกเสียงตะกัวน้ำหนักขนาดห้าร้อยเกรนประทะกับกระโหลกอันใหญ่โตได้ยินอย่างถนัด ซุมไม้ด้านนั้นถล่มพังไปทั้งแถบด้วยน้ําหนักตัวที่ร้มทับลงมาพรานใหญ่เพ่นวิ่งออกไปได้เจ็ดปก้าก็หันกลับมาเชษฐากําลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตกวดตามหลังเขาและเบื้องหลังของราชสกุลหนุม่มหัวหน้าคณะปลายงวงอันยาวใหญ่ของภูเขาเคลื่อนที่ซึ่งกระชั้นได้มาอย่างติดติดกำลังขว้คว้าเฉียดสีสะเชษฐาอย่างหยุดวิตจวนเจียนระพินเสยรําก้องไหลเฟื่ขึ้ น, นเหนียวไกลออกไป ทั้งๆ ท, ที่ผ่านท้ายยังหนีบอยู่ที่ซอกสีข้างพ่อกระสุนรั่นพนลํำกล้องร่างของเขาก็หกเขมรหงายหลังพึ่งเพราะอำนาจแรงสะท้อนเนื่องจากจับไม่ถนัดแต่ลูกปืนวิ่งเข้าสวนโคนงวงอย่างถนัดทนีก่อนที่มันจะถึงตัวเชฐาเบียงพลิปตาเดียวไอมหายักษ์งากุดผงะหลังส่วนเซไปสองสาแล้วล้มลงทั้งยืนจงังหวะนั่นเองเชิดาก็กระโจนมาถึงเขากระชากแขนฉุดให้ลุกขึ้น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 ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเชษฐากับพระปินก็ตายขึ้นมาถึงแนวโขวดหินบนเนินชันอันเตียบเสมือนเชิงเทินตั้งรับซึ่งแง่าชายกับจันเพ่นร่วงหน้ามาถึงก่อนไร้ยต้นทุกกระบอกวันนี้ร้อนผ่าเพราะการยิงอย่างหนักหน่วงช้างชุดแรกที่บุกทะลวงเข้ามาถึงบริเวณแคมป์ประมาณ 7-8 ตัวล้มกลิ้งไปหมดแล้วและเหตุการณ์ดูเหมือนจะสงบราบคาบลงชั่วขณะหนึ่ง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 เชฐาถามหอบหอบไม่มีเหลือให้มันยกแหกันเข้ามาอีกเถอะจะซัดให้เป็นเบื่อเลยชั ย, ยันตอบด้วยเสียงคำรามอย่างมันเขียวไม่ทันจะขาดคำเงาใหญ่โตก็วิ่งยาวๆโผล่จากความมืดออกมาให้เห็นอีกสามตัวมันปราดตรงไปที่เต็นซ์่ึงัตรนี้กองคลุมอยู่กับพื้นใช้เท้าเตะ ก, กระเทือบอย่างดุร้ายกระหายเลือดก่อนที่รพินและเชิฐาผู้เหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งและตายเนินขึ้นมา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 กระดาษสะท้อนแสงที่ติดอยู่ยังแบตเตอรี่ควบคุมสวิตช์ระเบิดซึ่งตั้งอยู่ในซอกหินก็ส่องเรืองขึ้นมาให้เห็นอย่างถนัดสังเกตที่เป้าสะท้อนแสงนอนไวให้ดีนะครับถ้าจาเป็นจริงๆเราจะยิงไปที่นั่นปากดานนั้นสี่ด้านจะระเบิดขึ้นพร้อมกันชัยยานดีดนิ้วโดยแรงเข้ามาตบไหล่เธพินเด็ดจริงผู้กองต้องเล่นกับมันอย่างนี้เลยจะมีสัตว์เดรัจฉานที่ไหนในโลกอีกบ้างไหม ที่ร้ายกาจเต็ไมไปด้วยเร่โกลเจ้าความคิดราวกับคนเหมือนไอ้แหว่งตัวนี้นี่ถ้าไม่เจอกับตัวเองใครมาเล่าให้ฟังก็ไม่มีวันเชื่อมันขับเคี่ยวกับเราด้วยสมองและแผนการที่ไม่น่าจะเป็นของสัตว์เลยคิดดูเถอะมันจู่โจมเราเมื่อตอนบ่ายหยกหยกพอตกกลางคืนห่างไม่กี่ชั่วโมงหวนกลับมาเล่นงานเราซ้ำอีกแล้วไอ้กุดไอ้มหิงสาหรือไอ้ผีขโมดไม่ได้หนึ่งในร้อยของไอ้แหว่งเลยผมยังคิดอยู่นี่ว่า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 ไม่อาจจะคาดคะแนหรือเดาอะไรได้ทั้งสิน้นอากาศหนาวเย็นจนสถานรัน่นปืนทุกกระบอกที่ร้อนกรุ่นบัดนี้เย็นเยียบลงตามเดิมแล้วเหตุการณ์มันเปรียบได้ไม่ผิดอะไรกับทหารท่ามกลางค่าศึกที่รายล้อมไว้หมดทุกด้านซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกบุกเข้าโจมตีอีกเมื่อไหร่แต่ละวินาทีที่เคลื่อนผ่านไปแบ่งแยกความคิดกำเนึนของแต่ละคนออกไปในลักษณะต่างๆกัน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 ก่อนที่จะออกจากแคมป์ผมเข้าไปในกระโจมตรวจดูว่ามีอะไรพอที่จะขนติดมือหนีไอแหว่งขึ้นมาได้อีกบ้างคนใช้ชาวโด่งบอกเรียบๆแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราอาจต้องอยู่บนนี้ทั้งคืนอากาศหนาวจับใจพวกผมไม่เป็นไรแต่พวกเจ้านายคงลำบากมากก็เลยขนขึ้นมาให้ไม่เพียงแต่พ้าห่มขนสัตว์เท่านั้นห่อพันอยู่ข้างในยังมีบุหรี่อีกทั้งหอ่อและเบรนดีอีกสองขวด คณะนายจ้างพากันอุทานออกมาด้วยความยินดีเชิดถาเอื้อมือมาตบไหล่แง่ทรายหุเราะเบาๆนายดีมากแง่ทรา ย, ายรอบคอบเหลือเกินดาลินตวัดผ้าผุยออกคลุมตัวไว้ได้วยความหนาวเย็นในตาที่มองไปยังคนใช้ชาวดวงเป็นประกายชื่นชมบอกมาเสียงหวานว่าขอบใจเหลือเกินแง่ทรา ย, ายเธอรอบคอบและเป็นห่วงในสวัสดิภาพของเราเสียยิ่งกว่าคนบางคนเสียอีก คำพูดแบบอดไม่ได้ที่จะกระทบของรอนทำให้พลานใหญ่ฟืดคออย่างไรพิกลเดินผ่าจากที่ซุ่มบริเวณ น, นั้นไปตรวจ ด, ดูแนวของพวกลูกหาบซึ่งเรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มๆห ม, มู่ละสองคนตามที่ชายยันได้กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์แล้วก็นั่งลงยึดบริเวณโขถิินที่หนึ่งทา ง, งปีซ้ายใกล้กับนายเมย์หัวหน้าลูกหาบเพื่อให้พวกนั้นได้อุ่นใจในการปรากฏตนอยู่ร่วมโดยใกล้ชิดของเขาเวลาผ่านไปอย่าง ช, ช้า กองใยทุกกองที่ก่อไว้ยังบริเวณแคมป์เบื้องร่างหมดเชือ้อหลี่แดงลงแล้วแต่แสงตะกีนเจ้าพยุที่เราพินตั้งไว้กลางบริเวณยังส่องสว่างอยู่ตามเดิมมองจากเบื้องบนลงไปในระยะห่างประมาณ50เมตรเห็นเรืองเรืองสับปะสิ่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเงาหมู่ไม้โขดหินผ้าเต็นที่ถล่มลงมากองอยู่กับพื้นรวมทั้งซากช้างที่ถูกยิงล้มอยู่เป็นภาพตะคุ่มตะคุ่ม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 แล้วเหยื่อปากกระบอกไรเฟิลในมือขึ้นฟ้ากระดิกไกปล่อยกระสุนระเบิดออกไปเสียงจุด4 5หแป็แมกนัมลั่นกึอก้องกรบเสียงช้างเหล่านั้นมันสถานดังซากรงวานไปตลอดทั้งขุนเขาชายยันก็กดจุด6 0นในโตของเขาตามติดออกไปอีกสองนัดซ้อนดังพอๆกับสายอสุนีบาทได้ผลเสียงช้างอันแซประสานกันอยู่เป็นร้อยๆเสียงเหล่านั้นเงียบเป็นปิดทิ้งในทันที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 ก่อนที่ราพินจะพูดเช่นไรเขาก็ต้องหันความลงไปเบื้องล่างที่บริเวณแคมป์เพราะเสียงป่าแตกคืนขึ้นอย่างจู่โจมอีกครั้งช้างฝูงหนิงดาหน้าเล่นฮือกันออกมาราวกับภาพหลอนของผู้ผีปีศาจพร้อมกับเสียงร้องอื้ออึงบอกกันของพวกลูกหาบพรานใหญ่ตวัดปืนขึ้นไหลในพิตาแต่ละคนที่ด้านกระสุนก่นกอนเขาคือเชฐิฐาซึ่งดูเหมือนจะคอยจ้องอยู่ก่อนแล้ว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 เียงหน้าเข้ามาอีกกี่ร้อยกี่พันตูก็ยกกันเข้ามาดารินคำรามอยูใ่ในลำคอยัดกระสุนชุดใหม่เข้าจุด 3.0 เอเทอร์บีของรอนอย่างรวดเร็วดุดดันตาเป็นประกายวาวโรธทุกคนประทับปืนเตรียมพร้อมรอคอยได้หัวใจอันเต้นร่าต่อไปอีกสิกว่านาทีก็ต้องหันมองดูหน้ากันอีกครั้งอย่างทายอะไรไม่ถูกกองทัพของไอแหวงสุบงานเงียบเชียบลงอีกจะว่าพระถอยก็ไม่เชิง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 ชายยันถึงกับอุทานออกมาภายหลังจากยิงเจ้าตัวสุดท้ายในชุดหลังสุดล้มคลืนลงทับศพของพวกมันที่กองอยู่ก่อนแล้วทุกคนในคณะบัตรน้ต่างก็มีความอัศจรรย์ใจและขนสยองไม่ผิดอะไรกับชายยันจากเหตุการณ์ที่ไปเชิญอยู่สิ่งเหล่านี้มันอุบัติขึ้นโดยผิดธรรมชาติสามันเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาัมวคํานึงนับอยู่ว่าช้างเหล่านั้นถูกยิงล้มไปแล้วกี่ตัว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 เกวียนกับสัมภาระเข้าของส่วนใหญ่ทั้งหมดของเรายัางทิ้งกระดางเกลือนอยู่นั่นถ้าระเบิดปากด่านทั้งสี่ด้านนั่นโดยไม่จําเป็นหินอาจพังทลายลงมาทับเกวียนและเข้าของของเราเสียหายหมดก็ได้การระเบิดควรจะตัดสินใจทําในวินาทีสุดท้ายที่หลีกเคร่งไม่ได้จริงๆหญิงสาวงานไปเพราะจํานวนประเหตุผลของเขาทําไมนะทําไม้แหว่งถึงไม่นําฝูงโผล่ออกมาให้เห็นชายยานสมบทสถาบันด้าน แกอาจเห็นมันขณะที่งวงหรืองาของมันถึงตัวแกแล้วก็ได้ชายันผู้ตอบมาพร้อมกับเสียงหัวเราะแต่งๆคือเชษฐาแล้วก็หันมาทางพลานใหญ่อีกครั้งปาดแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อผมสงสัยว่าพวกมันไม่ใช่เป็นร้อยเสียแล้วน่าจะเป็นพันๆตัวทีเดียวรับพินสันศีสษะช้าๆกินน้าลายลงคออันแห้งผากแล้วดื่มน้ำจากกระบอกลวคอผมสารภาพตามตรงครับ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 ถ้าไม่ยิงเราก็แหลกชายยันขัดพร่งขึ้นตาเป็นประกายดุดันเฮี้ยมเกรียมเมื่อมันกล้าที่จะบุกเข้ามาโดยไม่กลัวตายอันจะเนื่องมาจากอิทธิพลควบคุมบัคับปัญชาของไอ้แหวงหรืออะไรก็ตามทีเราก็ต้องฆ่ามันนี่คงจะเป็นประวัติการของโลกชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทีเดียวมนุษย์ตกเป็นฝ่ายถูกล้อมโจมตีอย่างบ้าเลือดจะ ก, กองทัพช้างพวกมันกำแหงหารอย่างไม่น่าเชื่อแง้ทายเกิดและเสย เปิดถีบกระสุนปืนที่ขนหนีคดฉพ اي ขึ้นมานํามาแจกจ่ายสํารองให้แก่ทุกคนอย่างเต็มอัตราศึกตามคําสั่งของชัยยันบัดนี้ปลอกกระสุนที่ยิงแล้วกราดเกลื่อนกองผนเป็นอยู่รอบตัวของแต่ละคนโชคดีเหลือเกินที่คณะ น, า, นายจ้างเตรียมพวกเครื่องกระสุนมาอย่างมากมายเหลือเฟือซึ่งในครั้งแรกระพินเองก็ยังรู้สึกว่าออกจะมากมายเกินความจําเป็นอาวุธปืนจํานวนมากที่ขนมาเหล่านั้น เพิ่มจะเห็นคุณประโยชน์เอาในภาวะเช่นนี้เองณราตรีนี้ดูเหมือนเป็นราตรีอันยาวนานที่สุดในความรู้สึกของทุกคนพวกคุณชายนอนพักกระแรงเสียก่อนพางๆก็ได้ครับคนของผมจะอยู่ยามเฝ้าเองถ้ามันบุกเข้ามาเมื่อไหรอีกก็ค่อยตื่นขึ้นมายิงไม่ต้องคอยระวังมันอยู่ตลอดเวลาหรอกเราอยู่ในที่มั่นปลอดภัยพอแรถบินบอกแล้วก็เดินพ่าไปหาเรืออะไรอยู่กับบุญคําและนายเมย์ อ, อีกด้านหนึ่ง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 บอกหน่อยได้ไหมเมื่อไหร่มันจะยกพลเข้าโจมตีเราอีกผมเดาไม่ถูกเหมือนกันแต่เห็นว่าคุณหญิงไม่จำเป็นต้องนั่งทรมานอย่างนั้นนอนพักเอาแรงไว้ดีกว่ามันบุกเข้ามาเมื่อไหร่ก็รู้เองนักมนุษยวิทยาคนสวยฝืนยิ้มสั่นศีสรศระชำเลืองไปทางพี่ชายกับเพื่อนฝูงผู้นั่งรับนกอยู่ข้างๆฉันบอกแล้วว่าฉันยังไม่สามารถชนะตัวเอง จนถึงกับบังคับปราสาทให้หลับลงได้ในเวลาแห่งความเป็นความตายเช่นนี้พี่ใหญ่กับชา ย, ยันเก่งกว่าฉันในข้อนี้ทําไมไม่หัดให้เก่งอย่างนั้นบ้างในเมื่ออย่างอื่นเก่งได้สารพัดก็กําลังพยายามหัดอยู่เหมือนกันแต่มันยังไม่สําเร็จนักผชญภัยชั้นเยี่ยมยอดต้องอย่างนั้นแล้วปินบุ้ยปากไปทางเชี่ากับชา ย, ยันผู้นั่งหลับอยู่ไม่มีกังวลนอนาถเหตุการ์ใดๆทั้งสิ้น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 พลานใหญ่ซุดกายลงนั่งบนแง่หินวางไหละเฟิลนพิงไว้ตาเข้มสีเหล็กทั้งคู่จับนิ่งมาที่นักประชายสาวอันอยู่ในฐานะนายจ้างดาดินเผชิญสายตาของเขาครู่หนึ่งก็เมินอัดบุรีอีกครั้งดอกปลอกลูกปืนเล่นอย่างปลาศจากความหมายฉันเป็นคนคิดมากเลยนอนไม่ค่อยหรับมีอะไรที่จะต้องคิดมากสำหรับชีวิตของสาวสวยรวยทรัพย์สูงสัก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 คุณหญิงยังไม่ได้ตอบคำถามของผมหญิงสาวยกขวดบรั่นดีขึ้นจิตยิ้มแค้นๆถามว่ายังไงนะลืมไปเสียแล้วชีวิตของคุณหญิงน่าจะมีความสุขพร้อมแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่มีคิ้วงามเลิกขึ้นน้อยๆอยากจะได้คำตอบนักหรือถ้าตอบได้จะไม่ลองหาคำตอบด้วยตัวเองดูหรืออกหัก ตัวเองคงโดนมาก่อนแล้วก็มังถึงคิดอย่างนี้ใช่ไม่น่าล่ะถึงมาเป็นพรานหมกตัวอยู่ในป่าอย่างนี้ยังไม่เห็นบอกว่าผมตายผิดหรือถูกเป็นเหตุผลในการถ่ายที่ดีแต่น่าเสียดายที่ผิดอ้าวแล้วกันคิดหรือว่าผู้หญิงที่ชื่อดารินวราลิศจะตกอยู่ในฐานะ อ, อกหักจริงสินะ มีแต่จะหักอกคนอื่นเขาเสียมากกว่ากังก็ไม่เคยหักอกใครเพราะไม่เคยไปสร้างอกไว้ให้แกใครที่ไหนถ้างั้นควรจะให้คำตอบที่ถูกต้องเสียทีเพราะให้ลองเดาแล้วยังเดาไม่ถูกดีแต่จะมาล้วงถามความรับของคนอื่นเขาตอบเรื่องของตัวเองก่อนเถอะจะให้ตอบเรื่องอะไรทำไมถึงอกหักหล่อนเองหลังพิงโคทิน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 ทำไมล่ะพระรองดีกว่าพระเอกนะสิเพราะเรื่องมันทํานองนั้นดาลินสันหน้าช้าช้าชี้นิ้วมาที่ทรวงอกเขาเรานั่นแหละเป็นพระรองส่วนผู้ชายคนที่่อนแต่งงานด้วยคือพระเอกยังอุตส่าห์นึกว่าตัวเองเป็นพระเอกอยู่ได้ถึงจะแพ้คนเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกอยู่เสมอไปแหละ ผู้หญิงเพียงคนเดียวทำไมต้องเอาชีวิตมาดักดาเสียทั้งชีวิตอย่างนี้ป่าดงพงภัยคือยารักษาแผลหัวใจของผมหัวใจแตกไปหลายเสียงสินะไม่เป็นเสียงหรอกแต่มันปนยุ่ยเป็นพัสมัทธุรีไปทีเดียวเดี๋ยวนี้ละ่ะก็ยังยักเยินอยู่ทำไมไม่หาใครมาประสานแผลหัวใจให้ เข็ดแล้วพอกันทีสําหรับผู้หญิงถึงงั้นเที่ยวตั้งปณิพทานไว้เช่นนั้นจริงจังต่อชีวิตเหลือเกินนะผมเป็นคนซื่อก็คิดว่าคนอื่นจะซื่อเหมือนอย่างผมเจอคนหลอกลวงเข้าครั้งเดียวก็เลยขวัญเสียเข็ดเข้ากระดูกดําหม่อมรละช่วงหญิงดาลินเอียงไปหน้าน้อยๆริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มพูดแผ่วเบาเหมือนจะรำพึงกับตนเองอ้อ ไม่น่าร่ะเพิ่งจะได้คำตอบรู้แน่เอาเดี๋ยนี้เองคำตอบอะไรคุณเกลียดและมองผู้หญิงในแง่ร้ายอย่างนี้นี่เองแล้วคุณถึงได้หยาบคายกระด้างต่อฉันนักนับตั้งแต่พบหน้ากันครั้งแรกแล้วยังแปลกใจยอยู่จนทุกวันนี้ว่าทำไมคุณถึงเป็นคนอย่างนี้ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนในโลกแสดงกิริยากับฉันเหมือนคุณเลยมันมาจากโรคเกลียดผู้หญิงเข้ากระดูกดานี่เอง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 คนและชีวิตจิตใจกับผู้หญิงคนนั้นฉันควรจะได้รับเกียรติในความเป็นสุภาพสตรีจากคุณบ้างอย่ามองฉันหนิ่งแง่เหยียดยามดูหมิ่นเกินไปนักถ้าคุณหญิงไม่เคยหักอกใครไม่เคยรอกลวงมดเทตทใครมาก่อนในเรื่องของความรัก ก, ก, ก็ได้โปรดรับคารวะจากใจจริงของผมไปเดี๋ยวนี้ดารินหัวเราะเสียงใสกังวานสะระดเส้นผมปลิวลงมาปลกหน้าให้สยายไปเคลียอยู่บนไหล่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 มักจะโรดโผนโจนทยาในแบบฉบับของผู้ชายฉันชอบกีฬาหนักๆของผู้ชายทุกชนิดชอบการประจนภัยและศึกษาค้นคว้าในสิ่งใหม่ๆแปลกๆหล่อนเว้นระยะยิ้มออกมานิดหนึ่งเป็นยิ้มเศร้าๆครั้งแรกที่ระพินไพยวันมองเห็นแต่นั่นแหละจะอย่างไรก็ตามมนุษย์เราหนีกฎของธรรมชาติไปไม่พ้นทุกครั้งที่ฉันว่างเว้นจากตาราเรียนไม่มีอะไรที่จะคิด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 ทดแทนให้แกการเปิดเผยเรื่องชีวิตของคุณอย่างตรงไปตรงมาพอใจหรือยังคะคุณรัฐินภัยวันคนถูกผู้หญิงหักอกพรานใหญ่ก้มศรีรษะลงอย่างสุภาพเป็นคําตอบที่ให้เกียรติแก่ผมอย่างยิ่งขอรับคุณหญิงดารินถ้าหากไม่เป็นการร่าประหลวงเกินไปนักผมอยากจะขออนุญาตท้วงอะไรคุณหญิงสักนิดฉันอนุญาตคุณหญิงมัวแต่คอยเลือกเทพปบุตรในฝัน พิถีพิถันเกินไปก็เลยทำให้ต้องเป็นโรคคิดมากนอนไม่หับอยู่เช่นนี้นักมนุษยวิทยาคนสวยผงกศีรษะรับอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าใช่ฉันยอมรับในข้อนี้คุณคงจำบทในพระราชนิพนธ์ได้แม้แผ่นดินสิ้นชายจะพึงเชยอย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่าฉันยึดถือข้อนี้แหละแท่ประบุตรในฝันของฉัน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 คนอะไรก็ไม่รู้มาชวนคุยแล้วก็แอบหนีหลับไปเสียง่งายๆโดยไม่บอกล่าวิ่งนั้นแหละหยิบก้อนหินข้างตัวขนาดเท่ากำปั้นก้อนหนึ่งขึ้นมาหมายจะคว้างปุกขึ้นมาต่อว่าที่จู่ๆก็หนีหลับไปเสียเฉยๆแต่แล้วก็ชะงักเปลี่ยนความตั้งใจเพราะคิดเวทนาทุกคนร้วนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพียวอิดโรยกันทั้งสิ้นและสําหรับเขาผนนู้นั้นก็น่าจะหนักยิ่งกว่าคนอื่นๆเสียได้ซ้ําแทบจะเรียกได้ว่า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 ซึ่งระเบิดเสี่ยงแท้ประสานกันขึ้นราวกับประทัดติดจีนนายมันบุกเข้ามาอีกแล้วเป็นเสียงตะโกนกล้องของพวกที่เฝ้ายามอยู่ภาพแรกที่ม่านตาของรพินเปิดขึ้นมาพบก็คือดาดินกับแง่ทรายยืนกันคนละมุมโขตรินใหญ่กำลังประทับปืนอยู่ในบ่าปล่อยกระสุนแข่งกันลงไปอย่างรวดเร็วที่ยิบเปลวไฟแหลับแดงฉานในความมืดพ่นออกทางปากกระบอกอากาศรอบตัวถูกแรงอัดบูบวาบจินชาไปหมด ในทุกครั้งที่มันแผดเปรียงขึ้นเขากับเชฐษฐาและชา ย, ยันเพ่นขึ้นยืนเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันในขณะที่ปืนรอบด้านลั่นอยู่เอ็ดอึงจนหูอื้อระวังยิงให้เร็วที่สุดมันบุกเข้ามาใหญ่แล้วชา ย, ยันร้องรั่นกดเจสแฝขนาดยากออกไปติดติดกันทั้งสองลำกล้องแล้วตรีตรานบรรจุกระสุนชุดใหม่เข้าอย่างแข่งกับเวลาส่วนเชษฐาก็จำหน่ายรูปปืนจากไรเฟของเขาลงไปอย่างไม่หายใจ ภาพที่เห็นเป็นความตื่นตกใจของทุกคนบริเวณแคมป์เบื้องล่างบัดนี้มืดทะมึนเต็มไปด้วยฝูงช้างนับไม่ถ้วนแล่นผูออกมาจากแนวป่าทุกทิศอย่างรวดเร็วราวกับฝูงมดแม้จะเป็นเวลากลางคืนก็ยังมองเห็นผงคลีตลบอบอวนไปหมดเสียงร้องสนั่นอื้ออื่นของมันเสียงป่าหักต้นไม้ลม้มก้อนหินกริ้งถล่มประสานกับเสียงปืนสุดที่จะจำแนกออกไปได้ จำนวนของพวกมันที่หือกันเข้ามามากมายกว่าทุกครั้งที่แล้วมาประดังเบียดเสียดเยียดยัดมองดูเหมือนระนอกของน้ำป่าที่หนุนเนื่องกันเข้ามาเป้าหมายแห่งการไหลบ่ามุ่งก็คือเนินเขาอันเป็นที่มั่นของฝ่ายมนุษย์ในขณะ น, นี้ที่ล้มก็ล้มไปที่เหลือก็วิ่งเหยียบศองพวกมันตะลุยรีอย่างไม่มีหยุดยั้งพลันพึงหลายต่อหลายตัวฝ่าแนวยิงสกัดอันหนักหน่วงเข้ามาจนถึงตีนเนิน และขณะนี้กำลังปลี่ขึ้นมาอย่างดุร้ายกระหายชีวิตบางกระพริกผงาดกลิ้งลงไปตามเนินอันรา ช, ชันปะทะแก่งโคทินพลอยถล่มทลายร่วงพูลงไปด้วยและบ้างก็คงตะลุยรี่ขึ้นมาอย่างทะ h ห r ฝ่ายมนุษย์ทุกคนแทบจะไม่มีโอกาสได้หายใจนอกจากจะยิงและยิงเท่านั้นเป็นการยิงอย่างอิสระสุดแท้แต่ใครจะเห็นเป้าหมายพุ่งเข้ามาใกล้ที่สุด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 สัตว์รำแสงลงไปในบัตรนั้นการยิงสกัดยังคงดําเนินไปอย่างชุนมูลแต่เริ่มจะระยะห่างลงมากทั้งนี้เพราะฝ่ายมนุษย์พบกับอุปสรรคที่ต้องทําหน้าที่ทั้งกลาดไฟฉายและยิงในเวลาเดียวกันซึ่งถ่วงเวลาให้จังหวะการปล่อยกระสุนเชื่องช้าลงท่านใดนั้นเองระหว่างที่มุ่งพวงอยู่กับการกระหน่ำยิงลงไปอย่างเป้าหมายมากมายเบื้องร่างที่บุกตะรุยเข้ามาทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัว พระได้ยินเสียงช้างร้องอื้ออึงอยู่อย่างยอดเนินเบื้องบนขึ้นไปซึ่งแท้ที่จริงมันก็คือแนวหลังของฝ่ายมนุษย์นั้นเองพร้อมกันก็ได้ยินเสียงคล้ายภูเขาถล่มทลายลงมาใส่กว่าจะรู้สึกตัวแน่ชัดหินใหญ่น้อยนับไม่ถ้วนก็ระดมกลิ้งพู ล, ลงมาอย่างน่ากลัวเสียงที่มันกระดอนกระแทกลงมาลักกับแก่งหินและพุ่มไม้ดังสนั่นไปหมดท่ามกลางม่านฝุ่นตลบเป็นควันและพินภัยวันและคณะนายจ้างทั้งสาม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 พายุหินก้อนมาหึมาชุดแรกที่กลิ้งลงมาก็เกือบจะถึงตำแหน่งที่แต่ละคนหลบซุ่มอยู่ในขณะนี้เสร็จแล้วก้อนหนึ่งใหญ่ขนาดรถยนต์ทั้งคันก็ดรอลงมากระทบร่างของลูกหาบคนหนึ่งอย่างถนัดถนีทุกคนได้ยินเสียงร้องแหลมฟังไม่เป็นภาษาเพียงครั้งเดียวร่างของลูกหบเ่าขร้ายก็กลิ้งลงไปพร้อมๆกับหินก้อนนั้นมันเป็นการอวสานของชีวิตที่ไม่มีอะไรจะสยดสยองเท่าร่างของเขาคงจะแหลกราน หาชิ้นดีไม่ได้เมื่อลงไปถึงตีนเนินพร้อมกับหินก้อนนั้นท่ามกลางเสียงร้องอย่างตนกตกใจขีดสุดของพวกลูกหาบและความสับสนฉุกระหุกอันชีวิตแขวนอยู่บนจมูกมัจจุราชในขณะนี้แล้วพินพุ่งกายเข้าหาชะ ง, งอนหินก้อนใหญ่เบื้องหน้ากระชากชายยันผู้ยืนอยู่ใกล้เขาที่สุดหัวเขมำเข้าไปฟุบปรบอยู่ด้วยกันมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ก้อนหินขนาดครกตำข้าลูกหนึ่งกลิ้งลงมาอย่างรวดเร็ว กระทบชะ ง, งอนตอนนั้นดังเหมือนฟ้าผ่าจนแตกกระจายเป็นฝุ่นแล้วมันก็กระดอนลงไปสู่เบื้องต่ําเฉียดเขากับชายยานผู้นอนผังภาพหลบอยู่ในขณะนี้ไปเกียงวาเดียวเกือบจะแตกเหลวยั บ, ยบเยินไปด้วยกันเชี่ยฐานั้นยืนห่างออกไปอีกด้านหนึ่งมาได้สติทันทันกับพรานใหญ่หัวหน้าคณะเดินทางยกเท้าถีบหลังน้องสาวผู้ยืนตะึงอยู่เบื้องหน้าเขาอยังเต็มเหนียวล่างของดารีนปลิวกระเด็นตามแรงถีบนั้น ลมกลิ้งเข้าไปใต้บริเวณแผ่นผาชันหลบอยู่ที่นั่นน้อยอยังเงยขึ้นมาพี่ชายตะโกนบอกเสียงหลงแล้วคุ้มตัวลงตามแต่เชิดถาช้าไปเสียแล้วเ พ, พราะหมู่พะวงชื่อน้องสาวก้อนหินขนาดโอบมังกรที่กลิ้งตูมตามลงมาราวกับรถบนถนนก้อนนั้นกระโจนผ่านชะงอนผาที่ดาลินถูกถีบลงไปล้มกลิ้งอยู่พุ่งเข้าใส่หัวหน้าคณะอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งของมันเฉียดกระทบไหลาของอดีตทูตทหารบก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 ด่ารินร้องแหลมสถานกล้องรู้สึกเหมือนชีวิตของตนเองจะปิดปริวออกไปจากร่างพยายามดิ้นรนอย่างสุดฤทธิ์พี่ใหญ่ตกลงไปแล้วแง่ า, ายจับนหญิงเอาไว้อย่าให้เงยขึ้นมาในความมืดอันสับสนเสียงระพินแผดตะโกระนระร่ารรักบอกมาตัวเองพุ่งออกจากที่กำบังเดิมอย่างไม่คิดชีวิตหลบพายุหินที่กระห น, น่ำกลูลงมานั้นไปตามโขดหินใหญ่ที่งออยู่เป็นหย่อม บ่ายหน้าไปทางเนินลาดซึ่งเห็นร่างของเชิดถาปลิวกระเด็นลงไปเกิดบุญคำเสยได้จันท์ก็วิ่งพ ง, งะออกจากที่มั่นของตนล้มลุกคลุกคานตามเนินลาดลงมาด้วยยิงสวิตระเบิดเร็วชายยานป้องปากตะโกนบงการออกไปสุดเสียงตัวเขาเองไม่สามารถจะเคลื่อนที่ออกจากกำบังได้นอกจากนอนแยกเกี้ยวฟังเสียงก้อนหินถล่มผ่านอยู่เหนือหัวเป็นร่าเช่นนั้น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 กำปนาตของมันกรบสับปะส้มเนียงอันวุ่นวายอยู่ในขณะนี้หมดสิน้นโลกบริเวณนั้นทั้งหมดเปนหนึ่งว่าจะพลิกคว่ำลงและแยกออกเป็นสิ่งเสี่ยงทุกชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในขณะ น, นี้รู้สึกตบนิ่งว่าถูกแรงอัดมหาศาลดันให้พงะลอยขึ้นจากพื้นเคว้งคว้างเหมือนถูกปิดปิวไปยังอีกโรคหนึ่งเสียงสนานปานระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินนั้นคลางคำรนสะท้อนก้องอยู่อึดใจใหญ่ปากด่านทั้งสี่ด้านอันเป็นตำแหน่งวางระเบิด บัดนี้ถล่มพังลงมาราวกับแผ่นดินไหวหินน้ำหนักเป็นตันๆแยกตัวเองออกกระจัดกระจายปลิวว่อนไปทุกสารทิศต้ตนลังขนาดห้าคนโอบที่ยืนอยู่ใกล้ๆขุดรากถอนโคลนค่นคลืนลงไปหนึ่งมือมหายักษ์ฉุดกระชากไม้ไร่ใหญ่น้อยข้างเคียงอื่นๆก็พลอยล้มระเ น, ะนระนาดแหลกเป็นแปลงสิ่งที่จะพึงสำเนียกได้ในเวลาต่อมาก็คือช้างป่าโขลงนั้นมีอยู่สักกี่ร้อยตัวก็ตาม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 ไฟฉายหลายกระบอกกราดอยู่ไปมาวูบวาบพร้อมกับเสียงตะโกนสอบซักถามกันฟังไม่ได้สับไม่มีใครคิดถึงสิ่งอื่นใดในขณะนี้นอกจากบ่มราชวงเชษฐาวราริศหัวหน้าคณะเดินทางซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเท่านั้นชัยยันดาลินและลูกหาบทั้งหมดวิ่งพรูกันลงมายัางตำแหน่งเศร้าหินใหญ่เบื้องต่ตอนหนึ่งซึ่งเห็นพปินกับพลานพื้นเมืองทั้งสี่กลังชุลมุนอยู่ที่นั่น ด้วยลักษณะอันกระสับกระส่ายเมื่อลงมาถึงดาลินก็แทบเป็นลมล้มฟาดเซไปก่อหินพยุงกายไว้หน้าซีดเผือดเหมือนกระดาษส่วนชายยันครางออกมาคำหนึ่งยืนตรึงไปในบัตรนั้นภายใต้ซอกหินร่างของเชี่ถานอนสนิทแน่นิ่งอยู่ในบริเวณอันจำกัดนั้นหินใหญ่ขนาดตุ่มสามโคก้อนหนึ่งอันเป็นหินที่ถูกกลิ้งลงมาจากยอดเนินบัตรนี้เบียดพิงอยู่กับโคหินที่งอกอยู่เดิม ค่อร่างของหัวหน้าคณะเดินทางไว้เป็นช่องแคบนิดเดียวไม่มีทางที่จะขยับขยื้อนร่างของเชษฐาออกมาได้นอกจากจะเคลื่อนหินที่ทับอยู่ข้างบนก้อนนี้ออกเสียก่อนไฟฉายทุกลวงที่ระดมกันสาดจ้าเข้าไปส่องเห็นร่างของเชษฐาผาดผ่าดในบางส่วนนอนนิ่งไม่ขยับขยื้อนเลือดไหลนองชัยยานได้สติแหวกพวกลูกหาบที่พากันมุงอยู่ตรงเข้าไปโดยเร็ว ใครจะพูดกันอย่างไรในขณะนี้ดารินไม่ได้ยินหูของหล่อนลั่นอื้อไปหมดดวงตาทั้งสองพร่าพรายซุดตัวลงนั่งกับก้อนหินซบหน้าลงกับฝ่ามือสั่นสะเทือนไปหมดทั้งกายมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีมือหนึ่งจับฝ่ามือที่ปิดหน้าของหล่อนออกพระพินสีหน้าเครียดขึ้มยืนอยู่ตรงหน้าของหลอนพี่ใหญ่ลิ้นฝีปากอันแห้งผ่าของหลอนขมุกขมิด แทบไม่มีเสียงผ่านลาคอออกมาเขาตายเสียแล้วใช่ไหมพรานใหญ่สั่นหน้าช้าๆประคองหล่อนให้ลุกขึ้นยืนต่อแผ่วเบายังหลอกครับคุณหญิงแต่หนักหน่อยเลือดออกมากเหลือเกินสาหัสแค่ไหนเรายังไม่ทราบชาัดเพราะติดอยู่ในซอกหินเอาตัวออกมายังไม่ได้จนกว่าจะเคลื่อนหินที่ทับก้อนนั้นออกหญิงสาวมึนงงไปหมดเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายที่จะเชื่อเสียไม่ได้ จ้องหน้าพรานใหญ่อยู่เช่นนั้นถามด้วยเสียงกระซิบเช่นเดิมก้อนหินนั้นทับเข้าไว้ใช่ไหมครับแต่ตรวจดูแล้วมันไม่ได้ทับบทร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณชายเพียงแต่อัดคล่อมร่างไว้เท่านั้นตำแหน่งที่คุณชายนอนเป็นซอกอยู่พอดีเ ข, เขารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าคงสลบครับพรานใหญ่ตอแบแผบแผบทันใดนั้น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 หลอนคลางเสียงสั่นเคลือน้ำตาปริมสายหน้าอยู่ไปมาแล้วมองไปทางพรานใหญ่พึมพาอย่างเลื่อนลอยโปรดเถิดช่วยเขาด้วยแล้วหินเรียกแงาสายให้เขามานั่งเป็นเพื่อนหญิงสาวอยู่ตรงนั้นเขากับชายยานพระไปที่ก้อนหินที่เชิฐานอนหมดสติติดอยู่ภายใต้อีกครั้งภายหลังจากตรวจ ด, ดูบริเวณอย่างรอบคอบแล้วก็บอกว่าหินก้อนนี้น้ำหนักประมาณสองตันเศษ เราพอจะขยืนมันออกได้โดยใช้ควายทั้งสิบห้าตัวที่มีอยู่ช่วยกันฉุดรากชายยันเม้มริมฝีปากแน่นส่องไฟฉายตัวดูซอกภายในอันมีร่างของเชืฐานอนคว่มหน้าติดอยู่อีกครั้งในภาวะขับขันขี่สุดเช่นนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดว่าคนอย่างชายยันมีสติดีอย่างยิ่งแม้จะตกใจต่อเหตุการณ์สักเพียงใดก็ตามเขาก็ไม่ได้ประหมางานงกจนเสียการเลยสาคัญที่สุดก็คือ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 อันเป็นระดับที่ควายจะออกแรงได้อย่างถนัดเริ่มยืนกับชายยันคอยยืนคุมดูจังหวะของการขยับขยื่นก้อนหินพร้อมทั้งเป็นฝ่ายออกคําสั่งพวกหนึ่งแยกไปคุมควายอีกพวกหนึ่งคอยจังหวะนําตัวเชิท้าออกมาในทันทีที่พอจะนํารอดช่องออกมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาโดยการประสานงานอย่างเคล่าครองพร้อมเพรียงเมื่อทุกอย่างพร้อมและภายหลังที่ตัวดูจนเป็นที่แน่ใจแล้ว รัพยินก็ออกคำสั่งให้ควายเริ่มฉุดเชือกในร่อนขนาดร่ำช้างเริ่มตึงขึ้นเป็นลำดับทุกคนใจเต้นระทึกคเม่นมองไปที่หินใหญ่ก้อนนั้นเป็นตาเดียวชายยันรงนอนพังภาากับพื้นคอยสังเกตระดับหินเบื้องร่างที่ชิดกับร่างของเชษฐาแล้วคอยร้องบอกรัพยินอีกทอดหนึ่งอึดใจต่อมาหินก้อนนั้นก็เริ่มไหวตัวเบาๆเสียงตะโกนวงการและร้องบอกกันดังเอะอะไปหมด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 เชิฐาหมดสติหายใจรวยๆชีพจรตป็นอ่อนหรือพินเอาผ้าของม้าบิดเป็นเกลียวพันโคนขาคนเจ็บไว้ห้ามเลือดชั่วข่าวก่อนแล้วเหนือยขึ้นบอกเร็วปรือกับชายยันตามคุณหญิงเข้ามาติดครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณชายเป็นอย่างไรบ้างนอกจากแพทย์เท่านั้นชายยันเพ่นบู๋ยตรงเข้าไปที่ดาลินผู้ยังนั่งซึมอยู่ฉุดแขนดืนขึ้นน้อยอย่าตะลึงอยู่อย่างนี้แล้วเอาเชิดาออกมาจากใต้หินได้แล้ว เดี๋ยวนี้เธอคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้แล้วเฉี ย, ยนก็ร่าข้มือดารินวิ่งเข้ามาทุกคนที่มุงอยู่หลีกทางให้หลอนแพทย์สาประจําคณะพยายามรวบรวมสติอยู่อึดใจกต็ตรวจดูที่บาดแผลและบริเวณทั่วกายของคนเจ็บอันเป็นพี่ชายร่วมสายโลหิตของหลอนเองคนอื่นๆรายรอมจ้องมองดูหลอนด้วยใจอันสันระทึกพี่ใหญ่ต้องได้รับการผ่าตัดเดี๋ยวนี้หลอนเงยหน้าขึ้นบอกเสียงแตกผ้ามองไปยังทุกคนอย่างขอความช่วยเหลือ ชายยานคลางอยู่ในลาคอหันไปมองดูรพินสั่งมาเถิดครับคุณหญิงต้องการให้พวกเรารับชายรายได้บ้างพรานใหญ่พูดโดยเร็วดาดินกำมือทั้งสองแน่นพยายามระ ง, งับความรู้สึกอย่างยากเย็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือเราต้องการสถานที่มันต้องไม่ใช่ที่นี่แน่และต้องเร็วที่สุดด้วยเดียนี้แหละรพินลุกขึ้นมองลงไปยังบริเวณแคมป์ เ, เบื้องล่างขณะนี้ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นรางรางๆแล้ว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 เพื่อให้ทันกับงานกู้ชีวิตของหัวหน้าคณะทุกคนทำงานกันอย่างหนักไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นกระจัดความอ่อนเพลียอิโรยที่ต่างได้ไปเจอมาจนหมดสิน้นมีแต่ความวิตกกระสับกระซายอย่างบอกไม่ถูกในกระโจมพักร่างอันหมดสติของเชี่ยถานอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงสนามดาลินบาดนิสติสัมปชัญญะของรอนกลับคืนมาครบถ้วนแล้วสํานึกบอกกับตนเองว่า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 เบื้องนอกพลานและดูหาบทุกคนนั่งจับเจ้าร่วมกลุ่มตลอดทั้งบริเวณแคมป์เงียบสงัดชั่วขณะหนึ่งระหว่างจัดการอยู่กับคนเจ็บผู้เป็นพี่ชายง่วนอยู่นั้นทุกคนที่ร่วมอยู่ในเต็นท์เห็นสัญญาแพทย์สาวยืนกายสั่นเทาชะงักนิ่งอยู่กับที่ใบหน้าก้มอย่างท้อแท้ทอดอะไรสุดกายลงไปนั่งหวบกับเตียงสนามข้างๆอีกตัวหนึ่งคอตกชยยันกับกระพินก็รวดเข้าถึงตัวในบาดนั้นน้อย เสียงชายยันดูดปากออกมาแหบเถิดแทบไม่ผ่านรำคอจ้องหญิงสาวด้วยดวงตาอันเบิกกว้างบอกซิเช่ท้าเป็นไงดาดินเงยหน้าขึ้นอย่างเชื่มช้าริมฝีปากสั่นริกน้ำตาที่สะกดกลั้นไว้เป็นเวลานานบาดนี้ไหลลินเป็นทางหล่อนมองดูหน้าพลานใหญ่กับเพื่อนชายอยู่เช่นนั้นเสออื่นขึ้นมาติดอยู่ที่รำคอไม่สามารถจะกล่าวคำใดออกมาได้นอกจากสายหน้าอยู่ไปมา ชายยันจับไหล่ทั้งสองข้างของหล่อนขยาวโดยแรงกระหืดกระหอบลั่นเต้นน้อยเธอคงไม่บอกฉันนะว่าแช่ถามหมดหวังเสียแล้วฉันก็ไม่อยากบอกตนเองเช่นนี้เหมือนกันหล่อนพูดอย่างยากเย็นกัดกรามแน่นหน้าขาวเปื้อนป่าจากสีเลือดพี่ใหญ่เสียเลือดมากเกินไปความหวังของเรามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการให้เลือดโดยโดยที่สุดแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่กันกลางป่าลึก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 ฉันเข้าใจดีในข้อนั้นและขอขอบคุณดาลินพูดด้วยเสียงไม่เกินกระซิบลักษณะของหลอนยามนี้เมื่อรอยสิ้นหวังหมดอะไรตายยากต่อทุกสิ่งเพราะความทุกข์กลัดกล้มก็ครอบงำไว้โดยตลอดแต่คุณควงพอจะเข้าใจนะการถ่ายเลือดไม่เหมือนกับการถ่ายน้ำสำหรับฉันหรือชายยานสองคนนี้เป็นอันว่ามหมดหวังแล้วเพราะเลือดของเราทั้งสองคนละ ก, กลุ่มกับของพี่ใหญ่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 หล่อนไม่ได้ตอบคําใดแก่เขาแต่สายตาที่มองมานั้นย่อมบอกชัดขณะนั้นเองเงาตะ ง, งานเงือกของแง่ายก็เคลื่อนเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างเตียงคนเจ็ดทําไมนายหญิงไม่ถามแง่ายดูบ้างเสียงห้าวๆนั้นกังวานไปทั้งบริเวณอันเงียบสงัดแกเคยรู้กลุ่มเลือดของตัวแกเองหรือแง่ายชายยันขมวดคิ้วถามมาด้วยเร็วผมเคยได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลเมืองย่างกุ้งมาครั้งหนึ่ง ผมจำกลุ่มเลือดของผมได้แววตาของสัญญาแพทย์สาวตื่นขึ้นเล็กน้อยจ้องนิ่งมายังคนใช้ชาวโดงเธอเคยผ่าตัดมาแล้วเรื่องไนอะไร appendix หญิงสาวซอยตืดตาทีเร็วแล้วที่เธอว่าเธอจำกลุ่มเลือดของเธอได้นั้นนะกลุ่มอะไรกรุ๊ปอะไร a b n ็กว่ายัางไงนะบอกใหม่สิแงซ า, ายหม่อมและชูงหญิงดาดินร้องลั่นออกมา เธอรืงพวดขึ้นอยู่ลืมตากว้างเอบีนกติดดาลินตัวสั่นเทาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้อยู่ในความหมายตื่นเต้นสมนัตแทบจะระงับไว้ไม่ได้ใบหน้าอันซี่เซียวปรากฏสีเลือดขึ้นในบัดนั้นตาเป็นประกายตรงเข้ามาขย่าวแขนแง่ทรายโดยเร็วร้องถามไปร่ำมปรักเธอแน่ใจหรือแง่ทรายว่าเลือดของเธอกรุ๊ปนี้จริงๆโดยจาไม่ผิดทุกคนเห็นใบหน้าสีทองแดงดวงนั้น ยิงฟันยิ้มแน่ใจครับนายหญิงและถ้าหากเลือดของแง่ทรายเป็นกลุ่มเดียวกับของนายใหญ่ก็ขอให้เลือดทุกหยดของแง่ทรายจงไปช่วยชีวิตของนายใหญ่เถิดแม้ว่าแง่ทรายจะหาชีวิตไม่อีกแล้วภายหลังจากนั้นทุกคนอึ้งไปชั่วอึดใจในว จ, จานั้นแม้กระทั่งละพินเองดาดินรับตาลงประสานมือไว้ในระหว่างอกใบหน้าแง้เงยขึ้น พ, พึมพำออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุด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 ผู้ซึ่งในขณะนี้ก็ไม่มีเวลาพอที่จะสนใจสิ่งใดนอกจากคอยภาวนาเอาใจช่วยดาดินในงานกู้ชีวิตของราชนิกูลหนุ่มหัวหน้าคณะเดินทางครึ่งชั่วโมงต่อมาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความหวังอันแช่มชื่นขึ้นสังเกตได้จากสีหน้าและแววตาของดาดินวาราลิษภายหลังจากถ่ายเรื่อเสร็จเรียบร้อยดาินก็ส่งนมสดกระป๋องใหญ่ที่ชายยานเตรียมเปิดไว้แล้วไปให้แกงแงทายออกคาสั่งแถวเบา ดื่มเส้อให้หมดแง่ทรายแล้วนอนพักอยู่ที่นี่แหละอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวไปไหนฉันต้องการให้เธอนอนหลับด้วยแต่ผมแง่ า, ายขยับจะงอหัวขึ้นฝ่ามือของหญิงสาวก็แตะไหลไว้นี่เป็นคำสั่งหนุ่มชาวดงชะงักมองประสานสายตาที่จ้องมาอย่างบังคับกึ่งขอร้องนั้นอยู่อิดใจก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีรับกระป๋องนมมาดื่มช้าๆจนหมดแล้วเอ็กายลงนอนตามเดิมหลับตาลง หญิงสาวหันไปมองดูร่างอันหมดสติของพี่ชายอีกครั้งสตรกายลงบนม้านั่งยกมือขึ้นรูปใบหน้าของตนเองชายยันก็ส่งบรั่นดีมาให้หล่อนรับไปดื่มรวดเดียวพร้อมกับระบายลมหายใจยาวเยือกอ่อนเปียกเทียใจสุดประมาณแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยความหวังอสสดใสคุณชายปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับหมอกละเพียถามขึ้นเบาๆเพียงแต่ผ่านพ้นวินาทีสาคัญที่สุดไปได้เท่านั้นหล่อนตอบอย่างระโหย ดวงตาอนิโรอยมองมือชายยันก็ก้าวเข้ามาโอบกอดไหล่ไว้กระซิบอ่อนโยนเอาละนอนพักิเถิดน้อยเธอกระปกุกกระเปียเต็มทีแล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้พักเลยทั้งคืนไม่ต้องกังวลอะไรหรอกฉันจะเฝ้าเชื่อฐาเองถูกของคุณชายยันคุณหญิงควรจะพักได้แล้วพรานใหญ่พูดแผ่วตามมาอีกคนหนึ่งดาดินไม่อเอ่ยคาใดอีกครั้งนี้ใช้ปลายนิ้วขยี้เบาๆที่ดวงตาทั้งสองข้าง เดินโผลเพไปทิ้งตัวอย่างหมดแรงบนเตียงของหล่อนมือทั้งสองประสานวางไว้บนอกพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพรียวแดงภายในไม่กี่อืดใจต่อมาแง่าสายค่อยๆดืมตาขึ้นพร้อมกับยันกายผงวกหัวจะรุกขึ้นแต่รพีนก ด, กดอกไว้กระซิบเจียบขาดแก่ก็เหมือนกันแง่าสายลืมคําสั่งของนายหญิงเสร็จแล้วหรือว่าให้แกนอนพักถึงแกจะเป็นคนดงแก่ก็จเจริญพอเชียบเข้าใจอะไรได้ดีแล้ว เราต้องการให้นายใหญ่ได้แก่ปลอดภัยด้วยกันทั้งสองคนอดีตนายทหารกองโจรกระเหลียงยักไหล่นิดหนึ่งเอ็นกายลงตามเดิมพร้อมทั้งปิดเปลือกตาลงอีกครั้งแม้จะถ่ายเรือดในกายให้แก่เชษฐาเป็นจํานวนมากแต่ลักษณะท่าทีของแง่ทายแทบจะไม่มีอะไรผิดปกติไปเลยยังแข็งแรงทระหดอยู่เหมือนเดิมราวกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นบัดนี้ภายในกระโจมคงเหลือแต่เพียงชายยันกับกระพินสองคนเท่านั้นที่ยืนมองตากันเงียบ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 ผมก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ถูกเหมือนกันระพินในที่สุดชายยันก็เอ่ยแผ่วเบาตบไหล่ต่อพานใหญ่ฝืนยิ้มให้ถ้าเปรียบการโลมรันระหว่างเรากับไอ้แหว่งเป็นเหมือนสงครามขณะนี้ฝ่ายเราก็อยู่ในฐานะเพียงพล้ำเสียแล้วเพราะแม่ทับกำลังแย่อย่างไรก็ตามรองให้เขาฟื้นและดูอาการก่อนดีกว่าแผนการต่อไปค่อยวางกันภายหลังจากนั้นขณะนี้หน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวคือ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 เท่าๆกับที่หัวหน้าคณะก็ตกอยู่ในอาการหนักอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดฝันมาก่อนอันเนื่องมาจากผลของการบุกเข้าโจมตีของกองทัพช้างมฤุตตยูภายใต้การนําของไอ้แหว่งจอมมหาการพวกลูกหาบเริ่มจะขวัญเสียอีกครั้งและผินต้องมีการปลุกปลอบใจคนเหล่านั้นรวมทั้งจัดวางแผนป้องกันย้อนรอยเข้าจู่โจมซ้ําของกองทัพช้างอย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดทุกคนหน้าดำคล้าเครียดแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อน ท่ามกลางความวิตกกังวลและกลิ่นไอของมหาภัยที่แวดล้อมอยู่ทุกขณะประมาณย่ำคำ่ำเชษฐาก็รู้สึกตัวได้สติขึ้นมาจัดยาสลบที่ดารินให้ไว้ระหว่างการผ่าตัดและให้เลือดและวพินได้เห็นธาตุแท้แห่งเลือดนักต่อสู้เผชิญภัยของราชสกุลหนุ่มอันเป็นนายจ้างของเขาอย่างแจ่มชัดอีกครั้งด้วยความยกย่องคาระวะในน้ำใจทันทีที่ลืมตาขึ้น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 แกเจ็บป่วยอยู่อย่างนี้เราไม่อยู่ในฐานะจะดําเนินการอย่างใดต่อไปได้ทั้งสิ้นอย่างน้อยก็จนกว่าแก่จะข้อ ย, ยิงชั่วขึ้นคนเจ็บสั่นศรีรษะเช่มช้ายิ้มของเขาปลุกปอบขวัญของทุกคนไม่มีความจําเป็นอย่างใดที่จะต้องให้การเจ็บป่วยของชั้นมาชะงักแผนการเดิมของเราเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไอ้แหว่งเขากล่าวอย่างหนักแน่นมั่นคงแล้วหันไปทางน้องสาวน้อยบอกพี่หน่อยสิ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 ขอนั้นไม่มีปัญหาดีแล้วทั้งๆ ท, ที่ฉันนอนเจ็บลุกไม่ขึ้นนี่ใจฉันยังไม่คิดถอยเลยแนมะ้แต่ก้าวเดียวแกกับน้อยหมดกําลังใจท้อถอยเสียแล้วหรือสหายของเขาสั่นศีรสะไม่มีวันเสีละทุกสิ่งทุกอย่างมันไปรวมอยู่ในข้อที่ว่าพวกเราเป็นห่วงแกเท่านั้นและความเป็นห่วงกังวล น, นี่แหละทําให้ทําอะไรไม่ได้ถนัดนักเชีย่ยวถาโบกมือสรุปอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเพราะฉะนั้น เป็นอันหมดปัญหาไปพรางหันมาทางรพินถึงผมจะเจ็บนอนแซ่บอยู่กับที่ชายันยังอยู่น้อยก็ยังอยู่คุณเองหรือแงซายตลอดจนใครต่อใครในพวกเราทุกคนก็ยังอยู่พอที่จะดำเนินการต่อไปได้ผมนอนคอยฟังข่าวอยู่ในแคมป์ชายันกับน้อยจะดำเนินการติดตามไอแหวงต่อไปตามแผนการเดิมคุณมีอะไรขัดข้องไมรพิน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 และที่นั่นฉันไปนอนรักษาแผลให้หายสนิทดีเสียก่อนแล้วเดินทางต่อเรื่องความเจ็บปวดของฉันไม่จําเป็นต้องวิตกกังวลฉันมีน้อยคอยดูแลอยู่แล้วสําหรับเรื่องไอแหวงก็มีระพินเป็นหลักอยู่ทั้งคนจําไว้นี่เป็นคําสั่งแผนไลไอแหวงจะต้องไม่ชะงักใดๆทั้งสิ้นล้มมันให้ได้ชายยันเอื้อมมือมาบีบไหล่คนจิตเบาๆเอาละสบายใจได้แล้วเชฐิฐาเราจะปฏิบัติตามที่แกต้องการพักผ่อนเชิดเถอะ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 ท่ามกลางเวรยามที่จัดไว้อย่างแข็งแรงรวมทั้งการวางแผนป้องกันในรอบนอกอย่างรอบคอบรัดกลุมหากว่าจะมีการย้อนรอยบุกซ้ำของโครงไอ้แว่งอีกและพีนอนหลับตับตื่นตื่นสะดุ้งพวาตลอดทั้งคืนมันเป็นคืนแรกแห่งชีวิตในป่าของเขาที่ไม่อาจหลับสนิทลงได้เพราะความวิตกกังวล น, นานาชนิดคิดไม่ถึงมาก่อนเลยว่าในเส้นทางเดินช่วงระยะแรกก่อนจะไปถึงดมช้างนี้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 มันเกินกว่าที่เขาจะสามารถแก้ไขป้องกันได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ใช้ความพยายามขีดสุดแล้วไม่เคยมีครั้งไหนที่พรานใหญ่ปรากฏกิติศัพท์สมยานามกล้องไปทั่วชิ้นเขาจะได้รับความหนักใจเช่นในครั้งนี้ยังโชคดีอยู่บ้างที่คณะนายจ้างทั้งสามและพวกลูกหาบทั้งหมดไม่มีใครคิดว่าเป็นความบกพร่องของเขาเลยเพราะตากรู้เห็นเหตุการณ์กับตาตนเองดีอยู่แล้วว่า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 เช้าวันรุ่งขึ้นอาการของเชี่ยถาซุดหนักลงอีกด้วยความระบมของบาดแผลและพิษไขยแทรกดารินปลุกปั้มอยู่กับคนเจ็บอันเป็นพิชายของรอนด้วยความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์ทั้งหมดรวมทั้งเวชจะกรกรทั้งสิ้นที่นำติดตัวมาด้วยอย่างพร้อพร้อมพิสูจน์ให้เห็นชัดว่ารอนชำนาญแคล้วคล่องกับการแกะรอยสัตว์หรือจับปืนมากนะักการเคลื่อนย้ายขบวนได้กระทําขึ้นในขณะที่เชี่าไม่รู้สึกตัว ร่างของคนเจ็บถูกนำขึ้นนอยบนเกวียนเร่มหนึ่งซึ่งเคลื่อนไปอย่างระมัดระวังประคับประคองดารินนั่งคุมอยู่บนเกวียนเร่มนั้นคอยดูแลพี่ชายอยู่ทุกระยะขบวนทั้งหมดออกเดินทางจากที่เดิมบ่ายหน้าตัดป่าราบโปร่งสลับไปด้วยภูเขาเล็กๆขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทางที่ผ่านไปเต็มไปด้วยรอยเท้าช้างนับไม่ถ้วนย่ำอยู่กาดเกลื่อนทั่วไปหมดแทบจะทุกตารางนิ้วของพื้นที่แถบนั้น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 แม้แต่โนกริเ็กสักตัวพระผลของสงครามใหญ่ระหว่างมนุษย์กับกองทัพคจัด ส, สารเมื่อคืนวานที่ผ่านมาชายยันเดินเคียงคู่กับพระผินนำขบวนไปเบื้องหน้าสำรวจรอยเหล่านั้นไปทุกระยะสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลพึมพำออกมาเบาๆเท่าที่เห็นรอยเต็มทุ่งอยู่นี่คเนว่าคงไม่ต่ำกว่า200ร้อยสารอตัวขึ้นไปทีเดียวยังไม่นับพวกที่แตกกระเจิงไปทางด้านอื่นๆอีกหน้ามหาัศจรรย์เหลือเกิน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 พรานใหญ่ยิ้มเครียดแต่ถึงอย่างไรผมก็ยังเชื่อมันอยู่เสมอว่ามันเป็นเพียงแค่สัตว์ทีรฉานเท่านั้นนี่แปลว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะต้องไปเชิญกับกองทัพช้างเป็นร้อยๆเช่นนี้แล้วหรือในการตามลไล่แหวงชายันเอ่ยถามอย่างหนักใจภายหลังเดินยิบเย่ไปอีกครู่ใหญ่แล้พินก็ตอบว่าผมคิดว่าพวกมันที่ยกเข้าโจมตีเราทั้งหมดเมื่อคืนวานจะมีสักกี่ร้อยตัวก็ตาม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 กาจะเข้าถึงตัวไอ้แหวงได้เราจะหมดกําลังหมดอุปกรณ์สนับสนุนการเสียก่อนชยันว่าก่อนที่ยังเด็กน้อยก็มาถึงยอดเนินเตี้ยๆลูกหนึ่งภูมิประเทศสลับซับซ้อนไปด้วยแก่งโขดหินหน้หนทางเข้าออกอันแคบจํากัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับจะใช้เป็นประการถาวรเพื่อตั้งรับการโจมตีของช้างโขงได้อย่างปลอดภัยพระพินสั่งให้ปเปิดเกวียนตรงสัมภระ ล, ะลงในทันทีนั้นภายหลังจากวางแคมป์เรียบร้อยในลักษณะที่มั่นถาวร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 ดาลินเครียดขึมและซึมผิดไปหล่อนเฝ้าอยู่ใกล้ชิดพี่ชายแทบจะเรียกได้ว่าตลอดเวลาชายยันเองก็เช่นกันอดีตนายทหารปืนใหญ่ไม่มีอารมณ์ขันเหลืออยู่อีกนอกจากความจริงจังเอางานเอาการเชษดฐาล้มลงเสียแล้วเช่นนี้เขาก็ตกอยู่ในฐานะที่จะต้องตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างแทนผมจะออกไปตรวจร่องรอยพร้อมกับเกิดและบุญคำสามคนจะกลับในราวข้าาเขาบอกเรียบเรียผมไปกับคุณด้วย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 พอดีสกตาดาลินที่มองมาอย่างขอร้องก็วางปืนลงตามเดิมพยักหน้ากับระพินเอาละผมอยู่ที่นี่ก็ได้ดีเหมือนกันอยากจะดูอาการของเชี่ถาโดยใกล้ชิดด้วยหนักหนาฉุกเฉินยังไรจะได้เป็นลูกมือคอยช่วยน้อยแหมให้ตายสิพวกเราอยู่ในระหว่างห่วงหน้าพวงหลังยังไงบอกไม่ถูกถ้าเชื่อถาไม่เจ็บหนักเสีคนเดียวเราจะสบายกันกว่านี้มากต่อให้ไอ้แหวนมีกาลังพลที่จะเตรียมรบกับเราสักหมื่น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 เมื่อพบเห็นกันครั้งแรกที่สถานีกักสัตว์ของนายอัมพลราชส ก, กุลสาวผู้นี้มีผิวสีชมพูยองใหญ่แต่บัดนี้กลิ่นอายของความตากตามสมบุกสมบันย้อมผิวสีชมพูนั้นให้เข้มข้ําลงป็นหนึ่งสีน้ำผึ้งงามคมซึ้งไปอีกลักษณะหนึ่งสตรีผู้นี้ไม่มีความงามอะไรเลยสำหรับเขายามเมื่อร่อนนั่งปรุงโฉมอยู่หน้ากระจกแล้วพินคิดในชั่วแวบแต่งานประทับตาตึงใจที่สุด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 ใส่ยาฆ่าเชื้อต้องให้เดือดสิ้นหน่อยก็สะอาดพอสำหรับคนเจ็ดว่าแล้วก็ถอยพงะจากกระโจมไปแต่แล้วก็ชะงักเพราะเสียงเรียกมาเบาเมื่อหันกลับมาอีกครั้งเห็นหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยจ้องมาด้วยอาการกางังวลอย่ากลับไม้ข้านักนะฉันกับชา ย, ยันจะรออาหารข้ามพรานใหญ่ยกมือขึ้นแปะปีกหมวกไม่ขีดใจหลังจากนั้นเขาเกิดและบุญคาก็เดินดุมๆออกจากบริเวณแคมป์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 ถ้างั้นความหวังของเราก็ใกล้เข้ามาแล้วสิชายยันร้องออกมาอย่างยินดีส่งแก้วแบรนดีมาให้เขาคุณคิดยังไงที่ไอ้แหวงบ่ายหน้าย้อนไปทางเขานางจอมพรานยกมือขึ้นรูปครางคลื่นไปด้วยคราวเหมือนจะตึกตรองแล้วยกแก้วบรันดีขึ้นจิตผมอยากจะเชื่อว่ามันพยายามจะข้ามเขาเข้าไปหลบอยู่ในหุบหมาหอนโดยอาศัยผ่านเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งที่ผมเองก็ยังไม่สามารถจะค้นได้ตามที่เคยเดีนมาแล้ว